เรื่องพัดครั้งนั้นนางวิสาขามิขารมาตาถือพัดโบกกับพัดใบตาลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นางวิสาขามิคารมาตาเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหานแกล้ากล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยรรมีกถาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไป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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้แสขนจามรีรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตแสสามชนิดคือแสปอแสแฝกแสขนนกยุง